พวกเราเนืน้อ น, นึกออกอยังว่าจเจริญสติปัฏฐานว่าทำไมรู้แจ้งอริยสัจห้เจริญสติปัฏฐานมีสติมีปัญญารู้กายเวทนาจิตธรรมย่อลงมาก็คือรูประธรรมนำมารมนั่นแหละรูประธรมมรมนำมนามรำนี่เราจะแจกแจงออกไปในลักษณะของขันห้าก็ได้ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นส่วนนามนามธรรมตัวรูปขันเป็นรู ป, ปรธรรมแจกแจงเป็นอายตนาหกก็ได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรู ป, ปรธรรมใจเป็นนามธรรมแจกแจงไปได้หลายแบบนะเป็นธาตุ8ทดธาตุอินทรียี่สอย่างหรือปฏิจจสุบุบาต12บ2 24 รวมความนะมันก็คือรูปธรรมนามธรรมาการที่เรารู้ความจริงเรียนรู้ความจริงของรูปธรรมนามธรรมก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองและสิ่งที่เรียกว่าทุกข์ในคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านบอกว่าสังขิเตนะปัญจุ ป, ปาทานขันธาทุกขาว่าโดยสรุปขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ การที่เราเจริญสติปัฏฐานเราก็รู้ความจริงของขันธ์ทั้งห้านี่ก็ ร, รู้ทุกนั่นเองก็เท่ากับเราได้ปฏิบัติในกิจต่อทุก์เรียบร้อยแล้วการที่เรารู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวทุกขเมื่อรู้ว่าขันธ์ห้าเป็นตัวทุกอย่างแจ่มแจ้งนะี่กิจที่2คือการละสมุทัยนะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติทันทีที่รู้ทุกขณะนั้นแหละละสมุทยัย ก็เราล้าสมุทยัยล้าความอยากเนี่ยด้วยการรู้ทุกข์สมุ ท, ทัยคือตัวตันหาตัวความอยากเป็นเหตุให้เราเข้าไปหยิบฉวยเอารูปประธรรมนามธรรมาหรือขันธ์ห้านี่ซึ่งเป็นตัวทุกข์เนี่ยเอามากอดเอาไว้มากวกไว้นะเอามาครอบครองไว้กลายเป็นไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมานนความอยากนี่แหละทำให้เราไปหยิบฉวยเอารูปประธรรมนามธรรมาขึ้นมาไว้กับตัวเองก็เลยนําความทุกข์เข้ามาสู่จิตใจ ถ้ามีสติมีปัญญามากพอรู้ความจริงว่าขันห้าเป็นทุกข์ก็จะไม่เกิดความอยากที่จะไปหยิบฉวยมันเข้ามาไม่มีการเข้าไปครอบครองรูปนามขันห้านะก็เท่ากับไม่เอาหยิบฉวยเอาตัวทุกข์เข้ามาไว้กับตัวเองงั้นรู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็ลาสมุทัยเมื่อนั้นลาสมุทัยเมื่อไหร่ก็แจ้งนิโรธือแจ้งพระนิพพานเมื่อนั้นเพราะพระนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่สิ้นตัณหา สิ้นตัวสมุทัยแล้วจิตใจก็เข้าถึงความสงบระงับนะพระนิพพานนั้นคือสันติคือความสงบสงบจากอะไรสงบจากกิเลสสงบจากกิเลสทั้งหลายสงบจากตัณหาสงบจากความยึดถือนะสงบจากสังขารคือความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมนี่เป็นตัวสังขารทั้งหมดสงบจากการที่โดนปรุงแต่งนะไม่ปรุงแต่งก็พ้นจากภพ พก็คือความปรุงแต่งของจิตนิพพานเนี่ยถ้นนเมื่อไร่สิ้นตัณหานะรู้ความจริงของขันธ์ก็จะสิ้นตัณหาเมื่อสิ้นตัณหาก็ไม่สร้างพบไม่ดิ้นรนปรุงแต่งขึ้นมาก็พ้นจากพบกันตรงนั้นเองพ้นจากความทุกข์กันตรงนั้นเองนั้นพระนิพพานถ้าคนถามเราว่านิพพานมีลักษณะยังไงก็ตอบเข้าไปตรงๆนิพพานมีสันติลักษณะมีลักษณะสงบ สงบจากอะไรสงบจากกิเลสตัณหาสงบจากความดิน้นรนปรุงแต่งนะสงบจากอะไรอีก nee, สงบจากรูปนามขัน5้าพ้นจากรูปนามขันห้านี่พานมีอยู่แล้วนะแต่ว่าเราไม่รู้เราไม่เห็นเพราะจิตเรามีความอยากจิตเรามีกิเลสจิตเรามีความดิ้นรนปรุงแต่งเราเลยไม่สามารถจะเห็นสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งได้ขณะใดที่จิตเราหมดตัณหาหมดกิเลสนะเมื่อสิ้นตัณหาก็สิ้นความปรุงแต่งของจิตด้วย พระนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัญหาสิ้นความปรุงแต่งก็จะปรากฏขึ้นให้รับรู้ในขณะนั้นเลยงั้นเมื่อไหร่รู้ทุกข์เมื่อนั้นแหละละสมุทยัยเมื่อไรละสมุทยัยเมื่อนั้นแหละแจ้งนิโรธเห็นพระนิพพานการที่เรารู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธในขณะนั้นนะคือขณะแห่งอริยมรรคงั้นการที่เรารู้ทุกข์ละสมุทยัยแจ้งนิโรธจเจริญมรรคเนี่ย กิจกรรมทั้งสี่เนี้ยทำเสร็จในขณะจิตเดียวกันในแว็บเดียวในพริบตาเดียวนั่นเองก็คําพ้นจากความทุกข์ไปได้นะี่ธรรมะอย่างนี้นะธรรมะประณีตลึกซึ้งมากต้องภาวนาถ้าภาวนาเราอยากแค่มีทุกข์น้อยๆนะก็เอาแค่โสดาสกตาคา เรายังติดใจในกามยังห่วงเมียห่วงสามีนะอะไรต่ออะไรอยู่นะห่วงทรัพย์สมบัติอยู่เอาโสดาสกทาคาก็าพอนะ ถ, ถึงขั้นอนาคามนี่มันพ้นจากกามไปจากปุถุชนเนี่ยขึ้นไปเป็นพระโสดายากมากนะคนจำนวนมากเนี่ยอยากได้แต่มันไปไม่ถูกที่รู้ทางที่ถูกแล้วมก็ขี้เกียจปฏิบัติ ถ้ารู้ทางถูกแล้วขยันปฏิบัตินะมันก็เป็นพระโสดาสกตักข า, าอะไรไม่ยากนี่คนส่วนใหญ่มันติดในความสุขความหลงโลกอะไรเงั้นไปไม่ยอมภาวนาถ้าเราภาวนาเนี่ยโสดาสกตักข า, าไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยมนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราอทําทำได้ไม่ต้องลาอะไรมากมายนะรักษาศีลห้าไว้มีสติรู้เนื้อรู้ตัวนะให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวไว้อย่าให้มันฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป รู้สึกตัวบ่อยๆนั่นแหละเรียกว่ามีสมาธิมีสติมีสมาธิรักษาศีลไว้ค่อยดูกายทํางานดูใจทํางานเห็นกายกระจแยกออกจากกันเห็นความสุขทุกข์แยกออกจากร่างกายแยกออกจากจิตใจเห็นความปรุงดีปรุงชั่วเช่นความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายเนี่ยแยกออกจากจิตใจแยกเป็นส่วนส่วนส่วนไป แต่ลานเนีจยทําหน้าที่ของมันไปแต่ละอนก็เกิดดับไปนะเนี่ยฝึกดูอย่างนี้เจวันเจ็เดือนเจปีนะก็จะได้ทำมากขึ้นมานะถ้าบารมีมากก็เป็นพระอราหันต์บารมีลดลงมา ก, ก็ได้อนาคาสกาคาเป็นพระโสดาอะไรเงี้ยเป็นลําดับไปถาภาคเพี่ยนเข้ารนะักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวอย่าฟุง้งซ่านเลื่อนลอยไปรู้ตัวบ่อยๆถ้าจากนั้นดูกายทํางานดูใจทํางานทําอย่างนี้แหละนะ ให้เวลากับการรู้กายรู้ใจให้เยอะๆหน่อยนะมากผลอะไรไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยที่คารวาสจะทําไดนะ้สมัยพุทธกาลคารวาสไม่ได้จีเนสกว่าพวกเรานะคนสมองมันก็พอๆกันแหลนะมีงานศึกษาหนึ่งเคยอ่านพวกหมอเนี่ยศึกษาว่าคนสมัยโรมันสมัยกรีกนะกัคนยุคนี้สมองพอๆกัน ไม่ร่วมไปปุดสมองโลมันมาดูได้ไงนะคนสมัยพุทธกาลยุคเราก็พอๆกันแหละไม่ได้โง่ไม่ได้ฉลาดกว่ากันอะ่ะเขาทำได้เราก็ต้องทำได้มีมือมีตีนเหมือนกันนะมีใจเหมือนกันต้องทำเอาให้ได้รักษาศีลห้าไว้ฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วก็ดูกายทำงานดูใจทำงานไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็เข้าใจ เราดูกายดูใจทำงานมากๆใน่สุดก็เข้าใจความเป็นจริงของกายของใจกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ถ้าเข้าใจในระดับที่เห็นกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราก็เป็นพระโสดาบันถ้าเข้าใจความจริงระดับที่ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์จะเป็นพระอรหันต์นะคนละระดับกันค่อยฝึกฝึกไปจุดที่ยากอันที่หนึ่งเลยก็คือปุถุชนเป็นพระโสดาบันนี่ยากนะ ต้องตั้งใจแน่ๆภาคเพียรทำทุกวันทุกวันจะทำบ้างขี้เกียจบ้างไม่ได้กินหรอกจุดยากอันที่สองก็คือพระสกถาขาขึ้นเป็นพระนาคานี่ยากนะปุถุชนจะไปเป็นพระโสดาเนี่ยเรียกว่าเปลี่ยนเป็นโล ก, กุตระภูมิเป็นภูมิเปลี่ยนยากจากพระสกทาคานะสกทาคาก็ยังอยู่ในกามภูมิจนะขึ้นเป็นพระนาคาพระนาคาเนี่ยพ้นจากกามภูมิแนละ้ว ขึ้นไปรูปประภูมิมารูปประภูมิเปลี่ยนภูมิอีกแล้วนะยากเนี่ยมันยากอยู่สองช่วงใหญ่ๆส่วนขั้นสุดท้ายนะถ้าชํานาญในการดูจิตจะไม่ยากถ้าไม่ชํานาญในการดูจิตจนะยากทํากันนานเลยนะเพราะอะไรขั้นสุดท้ายพระอนาคาคาขึ้นพระอรหันต์เนี่ยการปฏิบัติมันตลุมบอลอยู่ที่จิตนเองไม่ได้อยู่ที่อื่นเลยนะงั้นถ้าเราชํานาญดูจิตตั้งแต่แรกนะไปได้เร็วนะนี่ครูบาอาจารย์ที่ท่านดูจิตนะท่านไปเร็วมากเลย อย่างหลวงปูดุลนะหลวงปูดุลท่านไปเร็วเราก็ไม่รู้หรอกว่าท่านบรรลุอะไรนะเพราะไม่มีพระพุทธเจ้ารับรองให้แต่ก็เชื่อเชื่อนะว่าเออท่านคงจะดีจริงเขาไม่เชื่อเราคงไม่ไปเรียนกับท่านความเชื่อใครจะห้ามได้นะก็ <c oughs> ดูท่านไม่มีความทุกข์ไปหาท่านนะไปกราบท่านอย่างนี้คืถามธรรมะโอ้เวลาท่านสอนธรรมะนะละเมียดละไม เมตตามากเลยแทบจะอุ้มเราใส่ผ่านเลยนะประครบประงมสอนสอนสอนสอนจนบางครั้งนะท่านอายุตั้งเก้าสิบหกอ่ะสอนจนท่านหอบแล้วหอบอีกนะหอบหอบอย่างนีนะ้หายใจด้วยปากแล้วสอนเราเห็นีสงสารท่านมากหลวงปู่ผมจะกลับแล้วล่ะหลวงปู่เหนื่อยมากแล้วหลวงปู่หอบอีกหน่อยหนึ่งแล้วจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้ยังสอนไม่เสร็จมีนะ จําไว้นะจําไว้ท่านไม่ได้บอกว่าให้เราเข้าใจนะท่านบอกให้จําไว้พบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้พบจิตให้ทําลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงจําไว้นะเข้าใจไหมเหมือนท่านถเข้าใจไหมไม่เข้าใจครับแต่จะจําไว้เออจําไว้นะไปไปได้ละเนี่ยสอนสอนนะเหมือนโอ้ยประครบประงมมากเลยก็จะให้เราเข้าใจพอลงกราบนะพอเงอยหน้าขึ้นมานะ หลวงปู่ดูลงองเดิมหายไปแล้วะกลายเป็นหลวงปู่ดูลซึ่งไม่เหมือนอากาศสาธาติไปเฉยๆนะอยู่ต่อหน้าเราจะเหมือนไม่มีเลยนะสัมผัสไม่ถึงเลยนะเนี่ยครูบาอาจารย์นะท่านไม่ได้ติดลูกศิษย์ท่านทําหน้าที่ของท่านเสร็จแล้วท่านก็ปล่อยไม่เกาะไม่เกี่ยวไม่อะไรเหมือนคนไม่รู้จักกันเลยเราก็กราบท่านนะแต่ คุณงามความดีของท่านนะี่ฝังอยู่ในใจเราแต่เรารู้ว่ารูปที่มองเห็นนี่ไม่ใช่หลวงปู่ดูหอกนี่ก็คือรูปนั่นแหละนะส่วนคุณธรรมของท่านนะั้นก็เข้ามาอยู่ในใจเราต้องทํานะต้องทำเอาเองครูบาอาจารย์ได้แต่บอกสมัยโน้นครูบาอาจารย์นะวั น, ว, นวันหนึ่งไม่ค่อยมีใครเข้าไปหาหรอกส่วนมากเข้าไปทําบุญเฉยนะ บางคก็ทำบนแปลกๆนะหน้าร้อนเอาผ้าผมไปถวายหลวงปู่ดูนะผ้านวลเพราะว่าจะซื้อมาตั้งแต่หน้าหนาวแต่ไม่ว่างมาว่างเอาหน้าร้อนเนี่ยถ้าหลวงปู่มไม่มีผ้าผมคงมรณภาพไปตั้งแต่หน้าหนาวแล้วหอผ้าผมยมเนี่ยดีท่านมีอยู่แล้วเอาผ้าผมมาถวายนะเดือนเมษาของสุลินท อ, อ่ะโอ้ยร้อนนะร้อนมากๆเลยประเภทแทบจะสุกอ่ะ เสร็จแล้วก็บอกหลวงปู่หลวงปู่ช่วยผมผ้าให้ดูจะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะพ่ <c oughs> อมันโหดมากเลยนะเนี่ยให้หลวงปูห่หมผ้าในเดือนเมษานหะลวงปู่ไม่เอาไม่ตามใจเงันคนไม่ค่อยไปหาหลวงปู่ดูนะ่ะหลวงปู่ดูลไม่เคยตามใจใครเลยนะแล้วะมาเรื่องโลกโลกนี่ไม่ตามใจหรอกนะไปขอพระเครื่องคนไปขอพระเครื่องนะถ้าไม่ภาวนานี่ให้นะหลวงพ่อเห็น ท่านแจกพระเครื่องอ ย, อยากได้บ้างขยับจะขอเนี่ยพระเพื่อถากรีบเราก็ไม่เข้าไปขอถามทำไมนะครับที่ไปถามพระยขอหรือโดนด่าเลยนะท่านจะบอกว่าภาวนาถึงอย่างนี้แล้วยังไม่หายโง่อีกเหรอ <c oughs> เลยไม่มีนะไม่ไม่มีพระที่ท่านให้นะ มีความสุขไหมมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขนะสรุปนะรักษาศีลห้าไว้นะฝึกจิตใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจล่องลอยไปไม่ดีนะคอยรู้สึกตัวบ่อยๆหาัจากนั้นก็ดูกายเขาทำงานดูใจเขาทำงานนะวันหนึ่งก็จะได้ธรรมะนะาาเราจะรักข้อพุทธเจ้าที่สุดเลยโอ้น่าอัศจรรย์ธรรมะยากเย็นขนาดนี้ท่านค้นพบมาได้ยังไงแล้วความกรุณาของท่านสูงมากนะ ในการจะสอนให้คนอื่นเข้าใจธรรมะตามท่านธรรมะามันประณีตมากยากที่คนจะเข้าใจแต่ท่านก็สอนนะสอนคนรู้คนเข้าใจสืบทอดกันมาระหว่างคนเข้าใจธรรมะกับคนไม่เข้าใจธรรมะคนเข้าใจธรรมะน้อยกว่าใช่ไหมน้อยกว่าอย่างพวกเรามาฟังธรรมกับคนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยคนในหมู่บ้านนี้ยังเยอะกว่าพวกเราตอนนี้เลยคนในหมู่บ้านเดียวเนี้ยัยงเยอะกว่าพวกเราในขณะ น, นี้นั่งกันเต็มสาราล้นสารานี่แหละ เราเป็นคนส่วนน้อยนิดเดียวนะเป็นคนมีบุญวัศาสนาแล้วภาวนาเขา้าเรียกว่าเอาบุญต่อบบุญเรามีบุญเก่ามาแล้วเราก็เลยได้ฟังธรรมได้เกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้มาฟังธรรมได้มีบุญเก่ามาแล้วมาต่อบบุญใหม่ให้มันสูงขึ้นไปนะมาภาวนาเอาโลกุตรธรรมให้ได้เอาใครจะส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อนการนมัสการหลวงพ่อคะ่ะ เมื่อวานมีโอกาสแต่ว่าไม่กล้าส่งเพราะว่าเหมือนยังเกรงอยู่แต่วันนี้เห็นเห็นว่าตัวเองมีความกล้ามากขึ้นดีค่ะแล้วหนูรู้สึกว่าอยู่อยู่ที่เหมือนกับมีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะค่ะที่จะทาให้เบื้องต้นอนะสิ่งแวดล้อมอย่างสำคัญน ะ, ะสิ่งแวดล้อมมีหลายอย่างสถานทีนะ่เรื่องอาวาสนะอาวาสต้องไม่มีกังวลที่อยู่ของเราไม่ต้องกงังวล คนแวดล้อมของเราดีอาหารการกินพอประมาณมีเ<ช>งื่อนไขไหลายอย่าง<ช>เราคลุกเคลียคนฟุ้งซ่านเดี๋ยวเราก็ฟุ้งซ่านมามมนอยู่วัดไม่ได้คลุกเคลียใครว่พราพอนางง่ายหน่อยใช่ค่ะเหมือนอยู่บ้านจะหลงนานนานๆทีก็จะรู้สึกตัวแว บ, บขึ้นมาทีแล้วก็หลงไปอีกยาวเพราะงั้นเราต้องสู้เอาต้องมีวินยัยนถะ้ามีวินยัยทุกวันทําในรูปแบบมันจะทําให้เราไม่หลงนานจิตจะมีกําลัง คารวาสเนี่ยจุดอ่อนนะจิตไม่ค่อยมีแรงจิตฟุ้งมากวันๆนะไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงในการภาวนางั้นทำในรูปแบบทุกคนนะต้องทำนะทุกคนถึงเวลาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมวันหนึ่งสินาทีก็พอ <Okay. S 1> รอบละสิบนาที <Okay. S 1> ต่อไปก็เพิ่มรอบเช้าตื่นนอนมาก็ภาวนาหนาทีอะไรเงี้ยก่อนจะกินข้าวของวันภาวนาอีกหนาที กินแล้วไปเดินจงกรมสักครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยเนี่ยจะได้เยอะเลยค่อยๆเก็บค่ะมันยังขี้เกียจเหมือนกันค่ะโอ้ขี้เกียจไปนิพพานไม่ได้นะ <c oughs> ไม่มีใครอุ้มเราไปไหวหรอกต้องไปเองค่ะก็ครั้งแรกที่ <c oughs> พี่สาวคนหนึ่งค่ะเอาซีดีหลวงพ่อมาให้ฟัง <c oughs> หนูก็ฟังในรถอยู่หลายเที่ยวแล้วก็เริ่มเริ่มปฏิบัติตามที่หลวงพ่อสอน <c oughs> หนูก็เห็น ประมาณผ่านไปประมาณสามเดือนนะคะรู้สึกว่าตัวเองดีขึ้นคือเหมือนกับโกรธสั้นลงค่ะแล้วก็แต่ว่าพอในเรื่องเดียวกันนะคะไม่กี่วันที่ผ่านมาเหมือนเราหย่อนไปอะค่ะเราเหมือนอยู่กับโลกมากเราก็ปฏิบัติน้อยลงในเรื่องเดียวกันหนูรู้สึกว่าหนูแย่ลงคือเหมือนกับเราโกรธกังวลกับเรื่องที่เราเคยดีขึ้นความดีของเรายังเป็นโลคิยธรรมอยู่ เราต้องภาวนาจงความดีของเราเป็นโล ก, กุตละธรรมมะยังไม่เสื่อมแล้วสู้เอาน ะ, ะหนูดีขึ้นเยอะแล้วล่วละขันหนูก็แยกแล้วค่อยๆดูไปขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อเห็นไหมฟังสามเดือนก็ขันแยกได้ไมันยากอะไรอมีอีกไหมครับก็มีโอกาสมาที่สวนสถิธรรมหลายครั้งแต่ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่มาพร้อมกันทั้งครอบครัวครับ คืออยากจะสอบถามแทนคุณพ่อครับว่าถ้าเกิดแบบว่าคือท่านมองไม่เห็นทุกข์เหมือนกับว่าทุกวันนี้ท่านก็รู้สึกว่าพอใจในสุขแบบโลกโลกอะไรอย่างเงี้ยครับให้อย่าว่าพ่อนะ <c oughs> <c oughs> พ่อมีความสุขก็บุญแล้วล่ะบอกบอกพ่ออย่างงี้สิให้คอยรู้ทันความสุขที่เกิดขึ้นนะความสุขในแต่ละวันเนะี่ยไม่เหมือนกัน บางวันสุขมากบางวันสุขน้อยนะบางทีสุขก็หายไปให้คอยรู้ทันใจดูความสุขเป็นเครื่องอยู่ไปเลยมีความสุขเยอะนักนะดูความสุขนะ แ, ลแล้วถ้าเกิดกรณีที่แบบมีความสุขแล้วกรณีแบบไปเป็นเทวดาอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรเทวดามาฟังเทศได้นะ อ, อ, อย่าไปห่วงพ่อนะพ่อมีความสุขก็ดีแล้วละ่ะคนมีความสุขนี่เป็นผลของบุญนะ เขาทำบุญมาดีเขาก็มีความสุขนี่ถ้าจะต่อยอดก็ต่อจากสิ่งที่เขามีไม่ต้องไปลื้อความสุขของเขาทิ้งจิตมีความสุขให้รู้ว่ามีความสุขไปความสุขน้อยลงรู้ว่าความสุขน้อยลงความสุขหายไปรู้ว่าความสุขหายไปนะต่อจากสิ่งที่มีนี่แหละภาวนาง่ายส่วนใหญ่ก็คือมีความสุขแล้วมันเผลอเพลินแต่ถ้ามีความสุขแล้วก็รู้อยู่เห็นความสุขเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็ไม่เพลินไม่ติดสุข ก็ไปนิพพานได้เอ่อแล้วของผมเองนี่ปกติมันจะฟุ้งเยอะครับมันจะคิดเยอะอ๋ อ, อ, อถ้าฟุ้งเยอะเนี่ยให้มีเครื่องอยู่นะะ อ, อยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอะไรให้มันเด็ดเดียวไปพุทโธพุทโธแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ไม่ห้ามนะอย่าไปห้ามจิตถ้าห้ามเราจะเครียดนั้นถ้าช่างฟุ้งก็หายใจก็ได้หายใจออกรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวบ่อยๆแต่แปลว่าหายฟุง้ง คือมีปัญหาอยู่ว่าบางทีนอนไม่หลับครับสติมันตั้งแล้วนอ น, นไม่หลับเพื่อเห็นร่างกายมันอนอนใจเราเป็นคนดูนะไม่ก็สวดมนต์ไปเรื่อยๆบางทีใจสว่างแต่ร่างกายก็นอนหลับไปร่างกายหลับได้นะจิตสว่างอยู่งั้นเลยทั้งคืนเลยก็ได้นะร่างกายก็ได้พักละ ป, ปัญหาคือคนที่บ้านเ็เป็นห่วงเขาหาว่าบ้าเราโอ้ไม่เป็นไรเขาหาว่าเราบ้าเขาไม่เป็นไรนะ บ้าไม่บ้าอยู่ที่เรารู้เนื้อรู้ตัวไหมบ้าแล้วคือแฟนเขาก็จะมาชวนทะเลาะแต่คือบางทีผมก็หลงไปเหมือนกันโอ้แล้วอย่าไปหลงกับเขาสิเราภาวนาเรื่อยๆเราไปเ็าหายภาวนาหายมาเยอะแล้วนะแต่แต่คืออยากให้หลวงพ่อช่วยคอนเฟิร์มหน่อยว่าไม่ได้บ้า <laughs> ไม่บ้าหรอกเนะแต่คนที่คอนเฟิร์มได้ต้องให้จิตแพทย์ <laughs> รบกวนเท่านี้ครับรพวกกิกเลสหนาๆนะหลวงพ่อมองบ้าเนี่ว่ะแต่จิตแพทย์เขาบอกอย่างนี้คนดีเอาแน่ไม่ได้คนระับความเห็นไม่เหมือนกันนมัส ก, การค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อพอดีช่วงใจสดชื่นหรือใจเหี่ยวเฉาใจตื่นเต้นเอออาว่ามาคือ ภาวนาแล้วเห็นว่าศีลสมาธิอะค่ะมันดีขึ้นแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นแล้วตัวสภาวะมันก็เห็นแล้วมันก็ขาดได้แต่ว่าเห็นว่าจิตมันไม่เดินปัญญาเลยอะค่ะมันย่ําอยู่กับที่แล้วมันก็ไม่เห็นจิตรวมในลักษณะของที่จะเห็นไตรลักษณ์อะไรอย่างนี้เลยอะค่ะเลยอยากขอคําแนะนําจากหลวงพ่อเห็นไหมว่ า, าจิตเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเห็ น, น ะ, นะเห็นไปอย่างนั้นเลยจะเอาไตรลักษณ์อะไรอีกละ่ะนี่มันก็ไม่เที่ยงแล้ว มันมีความรู้สึกว่ามันไม่เดินปัญญาเลยนั่นแหละเดินอยู่แล้วเดินอยู่แล้วถูกทางแล้วใช่ไหมถูกแล้วนะเดินอยู่แล้วใช่ไม่ได้อยู่สติดสมาถานิ่งๆอยู่แล้วล่ะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงให้ดูแล้วได้ขอบพระคุณจะค่ะเมตสกาค่ะหลวงพ่ออืมว่ามากก็ตอนแรกมาถามหลวงพ่อว่าเราเกิดทําไมใช่ไหมคะอืแต่ว่าตอนนี้หนูสงสัยว่าทําไมเราถึงไม่รู้อะค่ะ ทำไมเราไม่รู้เพราะเราไม่มีโยนิโสมันาสิการันกะ็เราเลยไม่รู้เพราะอาศัยโยนิโสมันาสิกานะสมาธิที่ยิก็เกิดแล้วทำไมตอนที่มันไม่มีตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรเลยแต่ว่าอยู่ดีๆมันก็มาเป็นได้เออมันกลับมามีอีกแสดงมันมีเชื้อของมันอยู่ที่จะมีตัวเรานะกล่าวนามสการหลวงพ่อเจ้าค่ะพอดีขออนุญาตเรียนถามแทนคุณแม่ค่ะ แม่มาไหมไม่ได้มาเ<ม>จ้าค่ะคือคุณแม่ป่วยมากค่ะแล้วก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาประมาณสามปี ก, กว่าแต่ว่าไม่คุณแม่บอกว่าไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะให้แม่รู้ทันใจตัวเองไปกังวลรั้วกังวลกลัวรู้วกลัวนะผ่อนคลายหรือว่าตึงเครียดอะไรเนี่ยให้คอยรู้ทันใจของตัวเองเรื่อยๆแค่นั้นพอละคือตอนนี้ท่านก็เอาแต่สวดนม น, น่ะคะ่ะโอ้นนใช้ได้สวด ไ, ไว้นะ แล้วก็สวดให้เขาสวดไปแหละอย่างน้อยจิตเป็นกุศลไว้ก่อนนะแต่พอหลุดออกมาแล้วโมโหเจ้าข้าหลวงพ่อธรรมดาคอยสอนสินะบอกว่าเดี๋ยวสวดมนต์นะแม่คอยสังเกตใจไปเรื่อยนะสวดมนต์แล้วใจมีความสุขก็รู้ใจไม่มีความสุขก็รู้สวดแล้วใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้สวดมนต์แล้วคอยรู้ทันใจบ่อยๆเดี๋ยวไม่โมโหหรอกนะบอกไปสวดมนต์นั่นแหละแล้วก็คอยรู้ทันใจเอา ขอบพระคุณเจ้าค่ะถ้าเคยฟังซีดีมาไ ม, ไม่ไม่ยากเท่าไร่หรอกฟังทุกวันเจ้าค่ะเออนั่นแหละอย่างนั้นไม่ยากหรอกอย่างน้อยทําอะไรไม่ได้จริงๆนะเวลาจะตายนึกถึงหลวงพ่อก็ได้นะ <c oughs> ได้อะไรได้นึกถึงนึกถึงแล้วดียังไงนึกถึงพระใจก็เป็นกุศลสิเห็นไหม <c oughs> ตายไปขณะใจไปกุศลก็ไปดีไม่ต้องกลัว แต่ว่าไปสอนให้สวดมนต์แล้วก็รู้ทันใจของตัวเองนะเอาตัวนี้ถ้าได้ตัวนี้ก็ได้กำไรเยอะเลยถ้าไม่ได้ก็ไม่ขาดทุนอยู่แล้วล่ะกับรรมรเศการขอวงพ่อค่ะรู้วันนี้มาขอการบ้านที่จะเข้าพอนาปีที่สี่อะค่ะใจเราดูออกไหมใจสว่างใจมืดมัวมัวค่ะนะใจมันมัวน ะ, ะมันเป็นอย่างนี้มันนานยังก็ นานอ่สามปีเนี่ยหนูว่าหนูสว่างน้อยมากอะค่ะนะใจมัวไปหนูพ <c oughs> ยายามกระดุกกระดิกไว้แลเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวอย่างเนี้ยพยักหน้าเห็นร่างกายมันพยักหน้านะพยายามรู้สึกในร่างกายเรื่อยๆ <c oughs> เคลื่อนไปเคลื่อนมาเห็นร่างกายกระดุกกระดิกเรื่อยๆ <c oughs> ต้องแก้ตัวนี้ก่อนให้ดูกายอะค่ะดูกายไปให้จิตมันมีแรงนะให้หายมัวไปก่อ น, <c oughs> อนกล่าวนมัสการหลวงพ่อค่ะการภาวนาตอนนี้ก็เห็นจิต เดี๋ยวเขาก็จิตเดี๋ยวก็หลงแล้วเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวก็หลงแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกตัวบางบางวันมันรู้สึกได้ดีแต่บางวันมันโล่งว่างออกไปถ้าโล่งว่างจิตไปติดสมาธินะก็รู้อยู่ว่าเขาไปโล่งไปว่างอยู่แสดงว่าเราทํำในรูปแบบมากไปอย่างนั้นไหมคะไม่ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ถ้าจิตไปว่างสว่างอยู่ข้างนอกนะให้รู้ทันว่านี่ออกนอกแล้ว จะกลับเข้ามาถ้ามันไม่ยอมกลับเข้ามาก็ช่วยมันนิดนึงกลับมาดูร่างกายไหมเห็นร่างกายหายใจอยู่อะไรเงี้ยเดี๋ยวใจมันจะกลับเข้าตัวอย่าให้มันไปโล่งว่างอยู่ข้างนอกนานเข้าไปพักผ่อนนิดนิดหน่อยๆไม่เป็นไรค่ะคือหนูไม่ค่อยถนัดเรื่องการหายใจหนูใช้พุทโธก็ได้ใช่ไหมคะได้ได้พุทโธแล้วก็รู้ทันใจว่าใจออกนอกค่ะมีมีข้อแนะนําอะไรอีกไหมคะวิธีที่หลวงพ่อบอกหายใจเนี่ยไม่ได้หายใจตลอดเวลาหรอก นะเราใช้เทคนิคนี้นึงเวลาใจมันว่างออกข้างนอกเนี่ยเอาความรู้สึกตัวจับที่ลมหายใจนะั้นแล้วก็หายใจมันคล้ายๆหายใจเอาความรู้สึกตัวกลับเข้ามาหายใจครั้งสองครั้งเท่านะั้นมันจะเข้าที่แล้นะแล้วจะไปพุโทโธ ต, ต่ อ, อเข้าไปขอบคุณมากค่ะของหนูน่าใช้ได้แล้วล่ะนะึแต่ใจออกนอกหน่อย ก, การนมัสการค่ะหลวงพ่ออืโยมไม่แน่ใจว่ามันมีกิจตัวหนึ่งอ่ะนิ่ ง, งๆอยู่ข้างในอะค่ะอ ยัไม่มั่นใจว่ายมติดหรือเปล่าคะ่ะยังไม่ถึงกับติดหรอกนะถ้าติดเนี่ยมันจะซึมหัวนี้หน่อยแต่นี่ใจเราไม่ซึมแต่ว่าอย่าไปรักษามันถ้ารักษาแล้วจะติดถ้ามันมีอยู่รู้ว่ามันมีอยู่ไม่เป็นไรคถ้ากลัวมันหายไปแล้วก็เฝ้ามันไว้ตลอดเวลาอันนั้นติดเลยค่ะยมก็ระวังค่ะเออดีแล้วของโยมยังไม่ติดหรอกเพราะคอยระวังอยู่แล้วโยมควรจะปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมไหมคะ ที่ทําอยู่ก็ดีแล้วนะขี้โมโหไหมมากเลยค่ะเอานะเวลาโมโหอย่าว่าคนตั้งใจไว้ก่อนน ะ, ะจะค่อยรู้ทันใจของเราไปเอาคนขี้โมโหนี้มีบุญน ะ, ะเพราะว่าคนขี้โมโหนี่ยมันดูง่ายความรู้สึกมันชัดงั้นของโยมก็เป็นคนมีบุญหลวงพ่อก็ก่อนก็ขี้โมโหนะคะขี้โมโหเพราะฉนั้นพอนา ง, ง่ายมันเห็นชัด่ ะ, ะดูไปเรื่อยๆ รู้สึกไหมใจมันกระจายกว้างๆออกไปรู้สึกค่ะเออนะอ่าจะให้รู้ทันนะก็กลับมารู้สึกตัวไปสบายๆแต่อย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้ไว้ค่ะห้ามเพ่งใส่ตัวรู้นะค่ะถ้าเพ่งแล้วติดเลยค่ะขอบพระคุณค่ะกลับน้อสการครับอครั้งที่สองครัพระอาจารย์ที่มีโอกาสได้คําถามดจะถามพระอาจารย์ว่าตอนนี้ผมปฏิบัติอยู่ในร่องในรอยบ้างหไหมแหกเกลิดไหม ถ้าเห็นกิเลสกิเลสเกิดแล้วเราเป็นกลางไหมรู้สึกว่ายังไม่ค่อยครับให้รู้ทันตัวนี้นะถ้าเราปฏิบัติแล้วเรายังเห็นกิเลสได้เนี่ยใช้ได้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่เห็นกิเลสเลยนะเห็นแต่ว่าสว่างว่างสบายเย่ง น, นใช้ไม่ได้ติดลนะยังเห็นกิเลสเกิดดับได้อะไรที่ใช้ได้แต่ว่าเราก็ก้าวอีกข้าวหนึ่งก็คือรู้ทันใจกิเลสเกิดแล้วใจไม่เป็นกลางก็รู้ทัน หรความสุขความทุกข์เกิดแล้วใจไม่เป็นกลางก็รู้ทันรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางบ่อยๆนะแล้วเข้าเป็นกลางของเขาเองในการปฏิบัติเนี่ยเบื้องต้นหัดรู้สภาวะต่อมาพอชำนี้ชํานาญแล้วเราก็จะเห็นปฏิกริยาของจิตต่ตอสภาวะคือเห็นความยินดียินร้ายนั่นแหละพอเรารู้ทันความยินดียินร้ายจิตก็เป็นกลางชั่วขณะนะก็ดูสภาวะต่อไปด้วยจิตที่เป็นกลางรับภาวนาอย่างนี้แหละ เราเราสามารถบอกนําก่อนได้ไหมครับว่าไม่เป็นกลางลในใจอะไรย่างนบอกก่อนก็ได้นะแต่ว่าอย่าไปเค้นมันให้เป็นกลางนะตัวสําคัญก็แค่รู้เท่านั้นอย่างบางคนนะพอโกรธขึ้นมาเขาก็บอกตัวเองโกรธเนาะโกรธเนาะ อ, อย่างนี้เบื้องต้นใช้ได้นะแต่ต่อไปชินไอ้อาก็พูดตลอดเวลาไม่ดีหรอกคือพยายามใช้ความรู้ดีกว่าใช้ความรู้สึกใช้ความรู้สึก เวลาที่เราดูเนี่ยเรารู้ด้วยความรู้สึกเท่านั้นแหละผมมีคำถามนะครับคือผมจะมีอาการคล้ายๆเหมือนเด้งๆข้างในอให้รู้นะและใจเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางให้รู้ทันอาการอะไรไม่สําคัญหรอกสําคัญที่ว่าเมื่อจิตไปรู้แล้วเนี่ยเป็นกลางหรือเปล่าแล้วก็ไม่ใช่เอาเป็นกลางเลยนะเอาแค่ว่าไม่เป็นกลางแลอรู้ทันเราไม่ได้เอาอะไรเลยก็คือ เรื่อยๆใช่<ะ>ดูไปด้วยใจสุดท้ายมันจะรู้ทุกอย่างด้วยใจที่เป็นกลางที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นและเป็นกลางแปลว่ารู้เฉยๆไม่ต้องหวังผลรู้ไปรู้ไปฮะ<า>รู้รู้เฉยๆโดยที่ไม่ต้องหวังผลนะครับใช่ใช่ต้องอย่างนั้นนะหวังผลเราไม่ได้หรอกตัณหาไม่ใช่ทางแห่งความพ้นทุกข์อะตัณหามันเป็นทางแห่งความทุกข์นะ งั้นเราอยากให้ได้ผลเนี่ยเรามีตัณหาแล้วไม่ได้หรอกไม่ผ้นหรอกก่านนรำมศ ก, การครับหลวงพ่อผมใช้ดูอิทธิบทกับลมหายใจครับก็ที่ตั้งใจจริงๆประมาณสามเดือนนะครับ อ, อยากทราบว่ามันแล้ว เ, เห็นอะไรบ้างละ่ะเห็นว่ามันหลงแล้วก็มีกิเลสเยอะฮะโอ้อย่างงั้นก็ใช้ได้นะ แล้วเห็นไหมว่าร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราแร้วเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้เห็นไหมเป็นบางครั้งครับถ้าเห็นบางครั้งก็ได้แล้วนะเห็นตลอดเวลากลายเป็นเพ่งนะครับเห็นเป็นคลาลแล้วก็รู้ทันกิเลสรู้ทันอะไรดีเป็นคนยึดถือความคิดความเห็นรุนแรงไหมมากมากเออนะให้รู้ทันตัวนี้ด้วยนะแถมให้เนาะอันนี้นี่มันมาถึงรู้อย่างเดียวไปเลยใช่ไหมครับ่ใช่รู้ทันมันว่าตอนเนี้เซลล์จัดละตอนนี้ยึดความเห็นละอะไรเงี้ยรู้ทันมันไป ตัวนี้มันจะขวางเรานะมันจะกลายเป็นว่าปัญญาจะล้มหน้ามัน ค, คิดดักล่วงหน้าไปก่อนสภาวะซะอีกเดี๋ยวมันจะล้มไปเพราะมันฉลาดเกินะ่ะมันฉลาดเกินไปหลวงพ่อเคยบอกว่ามีราคามากอย่างเนี้ยครับเอก็อคือรู้รู้ไปเรื่อยๆอย่างนี้ได้ไหมใช่ใชรู้ไปนะ ร, ราคามันจะทำอะไรเราได้มันทาได้ตอนเราเผลอเท่านั้นแหละ จิตมีราคารู้ว่ามีราคานะเ้าเห็นราคากับจิตเป็นคนละอันกันถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วรเราไม่คิดคาดเดาล่วงหน้านะเราดูสภาวะที่ปรากฏต่อหน้า ต, ต่างๆเราไปเรื่อยๆดูไปสบายดูอย่างสบายใจไปครับดูกลั บ, บให้ใจมันตั้งมั่นขึ้นนะใจมันตั้งมั่นสบายๆเป็นคนดูไปเรื่อยๆเราไม่คาด ผลล่วงหน้านะไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรรู้ซื่ อ, อรู้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆนะแล้วมันเป็นเองแหละขอบพระคุณครับกราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะหนูภาวนาตามแนวทางของหลวงพ่อมา ก, ก็ที่ตั้งใจปฏิบัติก็หนึ่งปีเต็มแล้วเจ้าค่ะเห็นความเปลี่ยนแปลงหรือยังเห็นชัดมากเจ้าค่ะดีทาถูกแล้วล่ะเจ้าค่ะ หลวงพ่อมีมีอะไรแนะนําเพิ่มเติมไหมเจ้าค่ะทำให้สม่ําเสมอนะอย่าใจร้อนเจ้าค่ะใจร้อนไหมเป็นคนใจร้อนเปล่าใจร้อนเจ้าค่ะนะเราใจเย็นเย็นภาวนานเนี่ยรีบร้อนไม่ได้หรอกเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของเราได้แล้วเนี่ยแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วล่ะเห็นไหมว่ากายกับใจเป็นคนลนดูออก<ะ>ไหมเห็นเจ้าค่ะเห็นไหมกิเลสกับใจก็คนละอนเห็นเจ้าค่ ะ, คะนะแยกขันได้แล้วต่อไปก็ดูเล่นๆไปเรืเ่อยเจ้าค่ะ หลวงพ่อเจ้าคะ่ะหนูมีจะถามหนึ่งอย่างอะเจ้าคะ่ะคือเวลาตอนแรกครั้งแรกเลยที่ส่งส่งกันบ้านหลวงพ่อเมื่อประมาณเดือนเมษาเจ้าคะ่ะหลวงพ่อบอกว่าหนูปัญญาลำหน้าสมาธิยังไม่พ อ, อแต่แล้วพอหนูไปทำสมาธิกายหนูร้อนนะเจ้าคะ่ะ ม, มันร้อนแบบออกมือออกขาเวลาเดินจงกรมมันก็ร้อนนะเจ้าคะ่ะดีสิสุขภาพดีลม <c oughs> ปราณมันโคจรดีนะเจ้าค่ะมันจะมีพลังความร้อนออกจากมือจากเท้าเลยละ่ะเจ้าค่ะเงั้นมันอัดอยู่ข้างในนะไม่ดี อย่างนั้นแหละดีแล้วเจ้าค่ะแสดงว่าลมปราณโคจรเก่งถ้ามันตันนะนะแย่เลยเจ้าค่ะหลวงพ่อกาบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะตื่นเต้นมากเลยเจ้าค่ะวันนี้หนูรู้สึกว่าโชคดีที่ได้มาเจอหลวงพ่อค่ะเพราะรว่าอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์ค่ะอยู่ไกลมากๆออไกลจริง <c oughs> เขาว่าแก่เยอะกว่าคนเหรอเยอะกว่าค่ะ <c oughs> แล้วก็คือหนูรู้สึกว่าหนูโชคดีอะค่ะที่มีธรรมะของหลวงพ่อเป็นของพระพุทธเจ้านะของพระพุทธเจ้าแลวคำว่าโชคจริงๆไม่มีหรอกเรามีบุญอะเราก็เลยได้เจอธรรมะนะค่ะโชคมันแค่ฟลุกๆุกไม่ฟลุกหรอกเราต้องมีบุญมีบารมีเราถึงเคยได้ยินธรรมะนะคือหนูปฏิบัติมาได้แค่8เดือนนะคะแล้วก็มีพี่สาวที่นั่งอยู่ข้างๆเป็นคนแนะนำอยู่ต่างประเทศ อัตตาสูงมากเลยค่ะคือรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีแยกทางโลกกับทางธรรมไม่ค่อยออกค่ะรู้สึกเหมือนกับว่าเราอยู่กับโลกเนี่ยไม่ใช่ว่าเราปฏิบัติเราอยู่กับโลกไม่ได้นะเราอยู่กับโลกได้อย่างสบายเลยอยู่อย่างเข้าใจมันอย่างคนเขาเล่นอะไรเราก็รู้ว่าเขาเล่นเขาทําอะไรเราก็รู้รู้ทันอ่ะแล้วก็กลมกลืนไปกับเขาไม่ต้องมีเรื่องกับเขาเราไม่ต้องไปวางฟอร์มว่าฉันเป็นนักปฏิบัติไม่ทําอย่างนี้อย่างนี้เลยนะ ถ้าไมผิดศีลไม่เป็นไรหรอกว่ากลมกลืนไปกับเขานั่นแหละก็ถือศีลห้าอยู่ตลอดนะั่ะนแหละดีแล้วนะดีแล้วเวลาที่แบบไปข้างนอกเนี่ยคะ่ะถ้าไปตามห้างสรรพสินค้าหรือว่าไปที่ที่เราอยากซื้อของอยากช็อปปิงะะ้งอะไรอย่างี้ค่ะตอนนี้รู้สึกว่ากิเลสมันน้อยลงคะ่นะนั่นแหละเรารู้ทันนะเงินเราก็เยอะขึ้น <c oughs> บางทีเหมือนกับว่าไม่อยากรู้ก็รู้อะคะ่ะคืออยู่ข้างนอกสภาวะมัน เราเห็นว่าเราคิดอะไรตลอดเวลาค่ะดีนะนั่นแหละเราฝืก อ, อย่างนั้นแหละแต่ในทางกายทางวาจารเราก็กลมกลืนอยู่กับสังคมมันนะไม่ได้ไปแอนตี้สังคมอะไรหรอกแต่ทางใจเรารู้ทันมันอย่างคนในโลกมหลงโลกทั้งนั้นอนะ่ะแต่เราก็ไม่ว่าเขาเขาหลงโลกก็หลงไปเรารู้ทันว่าคนในโลกมันหลงอยู่เราไม่หลงก็ล้ว ก, กันสุดท้ายนี้ขอให้หลวงพ่อร่างกายแข็งแรงนะคะอ ข, อขอบคุณมากคใจ เมื่อวานมีออสเตรเลียวันนี้มีนิวซีแลนด์มสักการเจ้าค่ะ mm hmm. คือเป็นคนโทสะแรงมากเจ้าค่ะแล้วก็ mm hmm. แบบจะหงุดหงิดง่ายแล้วก็ mm hmm. แรงด้วยแล้วก็ mm hmm. บางทกีก็รู้ทันบ้างไม่ทันบ้างเ mm hmm. จ้าค่ะแล้วก็โทสะแรงๆอ่ะนะเหมอะกับการดูจิตนะ mm hmm. เพราะว่าไปทำอย่าง อ, างอื่นไม่ได้เรามันโมโหหมดเลยยให้ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็หงุดหงิดนะ ถ้าโทรสะแรงจริงๆก็ดูจิตดูใจของเราไปเดี๋ยววันหนึ่งมันก็ลดลงเองแหละจ้าค่ะบางครั้งก็รู้ไม่ทันแล้วก็บางครั้งมารู้ทันตอนที่แบบแบบเป็นคนชอบโวยวายเจ้าค่ะเรู้ไม่ทันแล้วก็บางครั้งรู้ทันตอนที่มันจะออกทางปากแล้วเจ้าค่ะบางทีก็เกือบเกือบแล้วมันมันมันตอนนั้นมันรู้สึกว่าแค่รู้ไม่ได้ค่ะต้องข่มไว้เลยอข่มไว้ก่อน ตรงนี้อที่ว right? ่าต้องถือศ er ีลไว้ก่อนเพราะว่าสติเรายังไม่เร็วพอมันไม่ทันกิเลสมันแรงขึ้นมาเดี๋ยวมันจะเป็นละเมิดคนอื่นงั้นเราข่มไว้ก่อนถือศีลไว้ก่อนต่อไปสติสมาธิเราดีขึ้นนะไม่ต้องข่มแล้วมันไหลแว้บขึ้นมาสติระลึกก็ขาดเลยอยากได้คําแนะนําำจ้ะค่ะก็ดีอยู่แล้วล่ะฝึกไปอีกทุกวันทําในรูปแบบไหม ทำจ้าค่ะนะทำแบบไหนก็ <c oughs> มีเดินจงกรมแล้วก็แล้วก็สวดมนต์บางวันก็นั่งสมาธิด้วย<อ>จ้ะแล้วรู้ทันจิตไหมเดินจงกรมรู้ทันจิตไหมสวดมนต์รู้ทันจิตไหมก็ <c oughs> รู้ทนันบ้างไม่ทนมนะันบ้างนั่งสมาธิรู้ทันจิตไหมจิตไหลไปแล้วรู้อะไรอย่างเงี้ยรู้ไหมก็รู้ทันบางเดี <c oughs> น้าไปซ่อมตัวนี้ให้เยอะเลยจิตไหลแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้สมาธิของหนูยังน้อยไปนิดนึงนะมันฟุ้งแรงเพราะงั้นเราต้อง ไปซ้อมพุโทโธไปหายใจไปหรืออะไรก็ได้แต่ว่าพอจิตเคลื่อนแล้วรู้ทันจิตเคลื่อนไหลไปรู้ทันนะสมาธิจะเพิ่มขึ้นขอบพระคุณเจ้าค่ะอาเชียกลับบา้าน